พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโม่าบุรุษชนะใเธอเมื่อถูกไต่สวนอาบัติท่ามกลางสงกลับนำเอาเรื่องอื่นมากล่าวกลบเกลือนอีกเรื่องหนึ่งว่าใครต้องพวกท่านกล่าวเรื่องอะไรเล่าโม่าบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสครั้นทรงตำหนิแล้วได้ทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้นสงจงลงอัญญวาทกกรรมแก่ภิกษุช น, นะภิกษุทั้งหลายสงพึงลงอัญญวาทกกรรมอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรร ม, มวาจาว่า